รู้จักอนัตตา at ผ่านเสียงเพลงวนซ้ำในหัว <uh> เหตุใดช่วงเด่นของเพลงบางเพลงจึงย้อนกลับมาเล่นอยู่ในหัวของคุณซ้ำซากแม้จะพยายามไม่นึกถึงก็ยังคงติดวนทำความรำคาญให้อยู่ได้ที่เสียงเพลงเข้ามาเล่นอยู่ในหัวของคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณเลือกที่จะจำ หรือตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะการปรุงแต่งของจิตซึ่งไม่มีใครห้ามได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต่างคนต่างกันและนั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาเมื่อเข้าใจเหตุปัจจัยอันควบคุมไม่ได้ของสิ่งใดคุณจะรู้สึกถึงความเป็นอนัตตาของสิ่งนั้น ซึ่งนับเป็นความรู้สึกที่มีค่าอย่างใหญ่หลวงเพราะอาจเป็นประตูบานใหญ่ให้เข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้แต่ละวันมีสาเสียงกระทบโสตมากมายทว่ามีเพียงบางชุดคลื่นเสียงที่กระทบแล้วเข้าไปบาดใจให้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นพิเศษซึ่งคุณจะทราบว่าชุดคลื่นเสียงใดโดดเด่นเป็นพิเศษ ก็เมื่อมันเข้ามาวนซ้ำอยู่ในหัวได้เรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนึกถึงซ้ำร้ายบางเพลงที่ฟังหัวคุณได้ยังเป็นสิ่งที่ลอยมาตามลมคุณได้ยินโดยบังเอิญมิใช่เจตนาฟังด้วยซ้ำสรุปเป็นสมการทางอารมณ์ได้ง่ายๆคือได้ยินเสียงบาดใจนําไปสู่สุขหรือทุกข์เป็นพิเศษเท่ากับ จดจำเป็นพิเศษส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการวนซ้ำไม่เลิกคุณจะนึกรำคาญอยากแก่เสียงซ้ำออกจากหัวพอทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์ความทุกข์จะยิ่งตอกย้ำให้เกิดการเล่นเพลงบ่อยขึ้นไปอีกเพื่อจะมีบทบาทกับพนัตตาในหัวตัวเองมากขึ <moon> ้นให้คุณลองกลับไปฟังเพลงนั <im near S 1> ้นกับหูอีกที ตั้งอกตั้งใจฟังโดยเฉพาะท่อนหุที่เข้ามาติดอยู่ในหัวสังเกตรายละเอียดของคลื่นเสียงว่าเหมือนหรือต่างจากคลื่นปฏิรูปที่ปรากฏในหัวคุณเพียงใดคุณจะเห็นสิ่งที่ต่างกันเช่นความยาวในการท่อเสียงความชัดเจนจับต้องได้ตลอดจนความรู้สึกอันเป็นปฏิกิริยาภายในของคุณเองหลังจากนั้นให้รอดูต่อไปว่า เสียงที่จะมาวนซ้ำในหัวของคุณอีกมีความเหมือนหรือต่างจากรายละเอียดที่ฟังจริงแค่ไหนการเห็นความแตกต่างการเห็นความไม่เหมือนเดิมจะช่วยให้จิตถอนจากการวนซ้ำหรือวนซ้ำน้อยลงไปเองหรือแม้วนซ้ำอยู่คุณก็จะรู้สึกถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ไม่เหมือนเดิมเช่นรำคาญน้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงหรือกระทั่งเป็นสุขมากขึ้น ซึ่งนั่นก็เป็นส่วนสำคัญในการทำความรู้จักอนัตตาเบื้องตน้นนั่นคือสภาพธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุปัจจัยและไม่เหมือนเดิมต่างไปเรื่อยๆตามเหตุปัใจจัยใหม่ที่ใส่เข้าไป